การพนันเป็นหนึ่งในอบายามุกหกอย่างอบายามุกคือทางที่นำไปสู่ความเสื่อมความพินาศแห่งโภคศัพท์ทำให้ชีวิตตกอับล่มสลายประสบแต่ความทุกข์ยากและอุปสรรคนานประการการเล่นพนันมีได้มีเสียทรัพย์เช่นหวยบอนไทยเป็นตน้นคนติดการพนันยากที่จะตั้งตัวได้ เพราะหามาได้เท่าใดก็หมดไปกับการพนันต่างๆการเล่นพนันมีโทษหกอย่างคือเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ย่อมฉิดหายไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำเป็นที่มินประมาทของเพื่อนไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย